มุ่งหมายมามก็สาบแล้วว่าวัดป่ามีการบำเพ็ญทางกิตตภาวนาโดยถ่ายเดียวเท่านั้นการดำเนินทางด้านจิตตภาวนาต้องอาศัยตายวิเวกเป็นอุปกรณ์แจ่ิจวิเวกความสงัดกายไมุ่กรั้นอุ่นย ด้วยหมู่เพื่อนและประชาชนที่เข้มาเกี่ยวข้องบ่อยๆจิตตวิเวกก็กนะายได้รับความสะดวกในการบำเพ็ญนละจิตก็เป็นไปด้วยความสงบสงบเงือจิตตวิเวกนก็เป็นอุปกรณ์ไปถึงองุปทิพย์เรืความาเร่งรัดจากสิเลเป็นบาตรฐานเหมือนกันกัน ตามทางของพระพุทธเจ้าที่ทรงดำเนินมาแล้วดำเนินอย่างนั้นผู้ต้องการผลดังพระพุทธเจ้าดังพระสาวกท่านก็ต้องดำเนินตามแนวแถวของท่านที่ดำเนินแล้วอย่างไรการรูดดีกิดตัวออกจากก่้องรอยอย่างการดำเนินของท่านก็เท่ากับการดูดดีกิดตัวออกจากผลที่จะพึ่งได้อย่างท่าน มันก็ไม่ได้ต้องคิดเสมอผู้ปฏิบัติหลักเหตุผลเป็นเครื่องรักษาตนเป็นเครื่องบาเพ็ญเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะหลักเหตุผลนั้นคือหลักธรรมอย่าปล่อยให้ความอยากเข้าปไปเป็นหนวหน้าชับจูงดีงล่าถูถ่ย ไ, ไปด้วยความอยากใช่ไม่ได้ ความอยากนะที่ไม่ต้องด้วยเหตุผลแล้วเป็นกิเลสความอยากที่เป็นเพราะเหตุผลนั้นเป็นมัจขึ้นอย่างอยากพ้นทุกเป็นมัจขึ้นมุมานะนานะสําหรับรบกับกิเลสหรือต่อสู้กันกักบกิเลส หรือจะว่าโกรธว่าเครียดว่าแค้นกับกิเลสก็ว่ากันไปพ่อแม่เราเคยมีเหมือนกันนี่เ็เรียกว่าเป็นทางมะกเป็นความคิดที่ถูกเพราะเป็นเครื่องหนุนจะให้มีกำลังจิตใจขึ้นมาเพื่อต่อสู้กิเลส็นได้ชัยชนะถ้าไม่มีกำลังใจไม่มีการมุ ม, มานละ การบ้างก็ไม่ต้องเ็จประโยชน์อะไรเรื่งความมุ่งมั่นหรือความมุมานะจึงเป็นสิ่งสําคัญสุดท้ายก็ไม่พ้นจากอิทธิบาททั้งสี่ไปจนได้เราพูดแยกเป็นขแขนงขแขนงไปเฉยๆลงท้ายก็อิทธิบาททั้งสี่ฉันทะนนมันพอใจความพอใจพอใจกับอะไรอืมพอใจกับมรรคผลมิพามือ ความมุ่งมั่นมันก็ไปตามกันกับความพอใจนั่นอย่างไหนถ้าไม่ไปทิฏยาจะไปไหนเรความภักเพียงนั่นก็ต้องเป็นไปตามกันกิตตะท่าน เ, เอาใจสักไฟก็หมายถึงว่าจิตใจมีความผูกพันอยู่กับหน้าที่การงานของตนที่จะเป็นไปพบความสมหวังอะไรปัญญาคือความรอบครอบสําหรับตัว การประพอความภาคยันทั้งภ า, า, ายนอกภายนอกรี่บาททั้งสี่ก็รวมลงที่ไห น, นปฏิบัติมต้องเร่งทางดําเนินที่พระพุทธเจ้าพาสาวกดําเนินอย่างไรหรือพระองค์เ อ, องทรงดําเนินอย่างไรและทรงสั่สงสอนสาวกก็ทรงสั่งสอนแบบเดียวกันกับที่พระองค์ทรงดําเนินนี่แหละ แน่ผลมาแล้วนั้นไม่มีธรรมะอื่นที่พระพุทธเจ้าจะทรงลดจดผ่อนพันให้เป็นความสะดวกสบายเกียรสัตว์โลกแล้วได้รับผลเป็นที่พึงพอใจนอกจากหลักธรรมที่ทรงสั่งสอนมาแล้วนี้อันเป็นธรรมที่รับรองในทางเหตุว่าถูกต้องในทางผลว่าต้องได้รับเมื่อเหตุก็สมงบำเพ็ญมาแล้ว ผลก็สูงได้รับมาแล้วจึงต้องนำวิธีการเหล่านี้มาสั่งสอนสัตว์โลกต้องแตสามแล็ลงไปโดยลำดับรบริสัทสีจะปิดแวะไปจากนี้ไม่ถูกพยายามให้มีงานน้อยที่สุดงานอย่างอื่นางาน ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่อาศัยทานั้นทานี้ก็พยายามให้มีน้อยมากหากมีความจำเป็นก็ทำสียแล้วให้ทำความในใจไว้เสมอไม่เผอตัวเคลืนไปกับการงานทั้งหลายโดยถือว่าเป็นความสะดวกสบายเป็นเครื่องแก้ลำขาดนี่คือความคิดถึกการห่างเหินจากความเพียร ไปในกิจการภายนอกอยางนั้นจะเป็นการแก้ลำคาญได้อย่างไรความลำคาญเป็นเรื่องของกิเลสการแก้ความลำคาญต้องธรรมะจิตใจต้องบังคับบัญชาที่ความอยากมันอยากทําอะไรอยากไปไหนะต้องหักห้ามการจึงเป็นทางถอดถอนเป็นทางแก้ไขกัน กุศิษัานดำเนินได้รับผลมาแล้วท่านดำเนินกันอย่างนั้นเฉพาะครัง้งพุทธกาลแล้วรู้สึกว่าการกิตตภรวนานเป็นหลักเป็นแหล่งเป็นแกนของศ า, ศ, าศาสนาจริงๆไม่มีงานอื่นงานใดเข้ามาบุญวหายทับถมโจมตีกันให้ยุ่งเหมือนอย่างสมัยปัจจุบันงานที่ไหน ยกขึ้นมาก็เป็นงานเพื่อถอดเพื่อถอนกิเลสทางนั้นท่านาเนินกัน่านั้นความคิดความนึกปรุงแต่งเรื่องอะไรต้องอยู่ในความระมัดระวังอยู่ในความมีสติมีปัญญาขึ้งไกรกรองเสมอไม่ได้คิดไปตามยะถากรรมอันเป็นเรื่องของกิเลสทุดลากพาให้คิดให้ปุงไปการพูดการกระทาทุกสิ่ง ต้องใช้ความพปนิิพิจารณาเป็นเสมอจึงชื่อว่าเป็นผู้มีสติเป็นผู้รักษาตนเป็นผู้ระวังเป็นผู้บำรุงรักษาใจใจเมื่อได้รับการบำรุงรักษาอยู่ด้วยดีคือโดยอัดโดยทำแต่เพาะอย่างยิ่งก็โดยสติปัญญานั่นแหละห น, นีไม่พน้นจิตย่อมเจะนับพังเยื่อยด่น มีความสงบสุขขึ้นไปโดยลําดับการทุกข์ยากลําบากด้วยการประกอบความเพียรนั้นเราอย่าถือมาเป็นอุปสรรคอย่าถือเป็นข้อหนักใจสําหรับผู้จะต้องการถอดถอนกิเลสที่ เ, เป็นภัยอันสําคัญอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปโดยลําดับลำดับแล้วต้องถือความเพียรเป็นสําคัญกว่าเรื่องที่ว่าหนักใจ มีทางนั ก, กาศท่านเดินอย่างนั้นทัานที่เคยได้พูดใน้ฟังหลายครั้งไลายหนแล้วสาวกท่านประกอบความภากเพียรได้รับความทุกข์ความลำบากมีจำนวนมากทีเดียวความที่จะเป็นบรรลุทำเป็นขั้นๆเนถึงขั้นทำมันสุดยอดในชาติั่นจะล้างมือเปิ้อเลือถือความลำบากลำบนในการประกอบความเพียร่าเป็นอุปสรรค แล้ว ท, อทอ้อถอยด้อยทางความภาคเปลี่ยนไปเสียอย่างนั้นหนาไม่เมื่อเราจะนำสิ่งเหล่านี้เข้าไปเป็นเครื่องสนับส น, นุน<ม>ก็แสดงว่าเป็นการทำลายตัวเองและเป็นการทำลายวงส ก, กุลของพระศาสนาซึ่งท่านพาดำเนินมาท่านสำเร็จมรรคผลนิพพานด้วยความภาคเปลี่ยน ท่านสำเด็จพระปุณณิภา น, นด้วยความอุตสาห์พยายามด้วยความหนักก็เอาเบาก็สู้ขึ้นชั่วเป็นความเพียรที่ชอบทำแล้วไม่ถอยหลังนี่คือทางเดินของพระราษฎรท่านที่เดินมาแล้วมม่มีทางอื่นให้เลือกเดินได้หากว่ามีทางอื่นให้เป็นที่สะดวกสบายพระในการดำเนินของจักรโลกแล้วใครจะฉลาดเหนือพระพุทธเจ้าไม่ได้ จะตรงแยกแยกให้สัตว์โลกทั้งหลายได้รับความสะดวกสบายด้วยกันโดยไม่ต้องให้รับความลําบากเหมือนพระองค์หรือเหมือนนางสาวกทั้งหลายที่พาที่พระองค์พาดําเนินไปนั้นเลยจะต้องแยกแ ย, กแยกหาความสะดวกมันคตมันโคง้งก็พยายามหาทางลัดมันลําบากลาบนขรุขระวิธีการเดินก็หาความสะดวกให้หาความสะดวกให้โดยลําดับลดับมันจะถึงขนาดที่ว่า อาหมอนมัดติดคอเลยพราองค์ก็จะสอนไม่ต้องลําบากเอาหมอนมัดติดคอเล ย, เ ล, เเ ล, ยล้มที่ไหนให้หลับที่หนึ่นเป็นมักขุนนิทานที่หนึ่งไม่ต้องประกอบความภาคเพยนให้หลำ บ, บากอัน บ, บนมีแต่ถาคนเด็กพิจารณาค้น q ้าแล้วเห็นความสะดวกอย่างยิ่งยักจึงได้นํามาสอนพุกท่านทั้งหลายถ้าองค์จะต้องทรงแสดงอย่างนี้แต่นี้ไม่มีทางใด นอกจากมัติมาที่ทรงแสดงไว้แล้วนี้ว่าเป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งแล้วจะเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เพราะกิเลสทุกประเภทไม่คือเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นอย่างอื่นพอที่จะเปลี่ยนแปลงมัติมาให้เป็นไปตามนั่นได้หรืด้วยเหตุนี้เมื่อกิเลสเป็นแสดงตัวแสดงอาการออกมาอย่างใดมัติมาใดที่ควรเหมาะสมกับกิเลสประเภทใดซึ่งจะปราบปรางซึ่งขันนักกัน ให้อยู่ในเงื้อมือของมัจจิมาคันนั้นๆจําเป็นจะต้องทุ่มเทมัจจิมาคันนั้นๆลงไปให้เหมาะสมกับการปราบปรามที่เด็ดอิจิพายประจักษ์จิตใจโดยไม่ต้องลดน้ท่อถอยนี่เรื่องเป็นหนึงน่งเขาให้พากันเข้าใจเอาไว้และให้ทําความเข้าใจกับตนอย่างซึ้งยาสักแต่ว่าฟังเพืเอ่อแล้วไม่ แน่นอนในใจหาความแน่นอนในใจไม่ได้เป็นหลักปักที้ฝายอย่างนั้นไม่ใช่พูดจะดําเนินเพื่อความพ้นทุกจะเกิดความท้อทอนใจในวันหนึ่งแน่นอนเราเล่าเรื่องอดีตในการประกอบความภาคเพียรในรับความทุกข์ความลำบากของเราเข้ามาเป็นอุปสรรคต่อการบำเพ็ญในปัจจุบันซึ่งจะให้เกิดความท้อใจอ่อนใจให้มุ่งต่อที่เล่ ที่มั น, หนเหลืออยู่มากน้อยเพียงไรสมมติว่าจิตใจมีความฟุ้งซ่านก็แสดงว่ากิเลสนีท้าทายเราเป็นที่ฉุดกเราจมกระช่างจะลอกปอกเปิดบจะตายทั้งเป็นอยู่แล้วเวลานี้ถ้าเราไม่ช่วยตัวเองด้วยความภาคเพียรความกดควมทนเราจะช่วยตนได้วิธีใดพระพุทธเจ้าทานทรงสอนว่าวิธีใดให้รีบหาศาสตราธรร ม, มาวุธนั้นเข้ามาแก้ไขทันที นี่คือว่าเป็นอุบายที่ถูกต้องอย่านําเรื่องอดีตหรือเรื่องอนาคตถึงเป็นความลําบากผ่านมาแล้วถึงเราทํามาแล้วเดือดลำบากอย่างนั้นๆก็เห็นได้อะไรและอนาคตเราก็จะต้องลําบากลำบนอย่างนี้ไปล้วนแล้วตั้งแต่สร้างขวากหนามไว้สำหรับกั้นทางเดินของตนจะไปไหนก็ไปไม่รอดต้องจอดจมอยู่ในปัจจุบันนะั้นจงตับ เรียกว่าจงกลับหาทางไปไม่ได้นี่ไม่ใช่ทางนักปรัชาทางนักปรัชาเรียว่าวิลิยนันทุขมัติเจ ต, ติกการลุดพ้นจากทุกข์นั้นต้องลุดพ้นด้วยความเพียรเป็นหลักสำคัญมีเป็นธรรมยืนดันต่างนานาต่งางดาวคปฏิบัติ อย่าไปคำนึงในเรื่องมรรคผลนิพพานม่าจะอยู่ที่ไหนที่ไหนด้วยมันเสียเวลาและดีไมด่ดีสร้างความวุ่นวายสายแสความสงสัยสงเเทต่างๆให้แก่จิตใจของตนซึ่งไม่เป็นประโยชน์อะไรนอกจากเป็นการทำลายความมุ่งหวังมรรผลนิพพานให้ด้อยลงและจนก้าวไปไม่ได้ความคิดใดที่จะเป็นขาศิ ตอบมรรผลนิพพานให้พึงทราบว่าความคิดนั้นเป็นเรื่องของกิเลสเพราะกิเลสต้องเป็นผู้มีแง่งอนมากมีเล่เหลี่ยมมากแหลมขมมากไม่มีสิ่งใดในโลกทั้งสามนี้จะเหนือกิเลสไปได้นะ่ะฟังด้วเรื่องความแง่งอนเรื่องความมเีเล่เหลี่ยมอันแหลมขมสลับซับร้อนจนกระทั่ง เราที่ถูกกิเลสกดหัวอยู่ก็เลิ่มหลับไปตามมันโดยไม่รู้สึกตัวและไม่เห็นโทษของมันว่ากิเลสเคยให้โทษแกเราอย่างนั้นนั้นบัดนี้ก็เคยให้โทษก็ให้โทษทุกเราอยู่ในปัจจุบันนี้จริงแลยังจะให้โทษเราต่อไปอีกไม่มีเวลาสิ้สนจุดนี้ไม่มีความรู้สู้ได้เลยเพราะความแหลมคมคมเพราะความกล่อมอันสนิทเพลงกิเลสนี้ไพเราะเพราะเพลียงมากทีเดียวใครฟังแล้วต้องติดใจ ยละจมไปด้วยกิเลแล้าพูดถึ ง, งอำนาจความฉลาดแหลมคมของกิริในสามโลกธาตุนี้เป็นบริษัทบริวารของกิเลสทั้งนั้นนอกจากธรรมะมีธรรมะเท่านั้นมีอนุภาพมาก เนื้อสิ่งเนวร้ายทั้งหลายคือกิเลสทุกประเภทซึ่งจะสามารถนำมาระงับดับกันได้ด้วยมัชฌิมาปฏิปทานที่พระองค์ท่านประทานไว้แล้วโดยสมบูรณ์ยึดเอาหลักนี้ผู้ดำเนินจะได้เห็นความสว่างกระจ่างจะเห็นความบบกวบาใจของตนไปโดยลำดับด้วยความภาคเพียรที่หนัก บ้างเบาบ้างกาตาถ้าไม่มีความภาคเพียรจะเอาแต่ความสะดวกเข้ามาว่าอันนั้นมันก็เป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดก็เท่ากับการเพิ่มพูนกิเลสให้มากขึ้นเลยก้าวขาไม่ออกเดินจงกร ม, ก, ม, มก็ก้าวไม่ออกจะ ก, ก, ก้มหนดกิบนี้ถึงเหมือนอกจะแตกคับหมดในส่วนอกแต่ทำอะไรก็เลยไปไม่ได้แตมันได้มีแต่กิเลส หนีบเอาบังคับเอาบีบบี้สีไฟเอาจนเลยหาทางเดินไม่ได้ตายจมอยู่ในวัฏสงสารไม่รู้กี่กับกี่กันหาประมาณไม่ได้เลยนั่นเป็นของดีแล้วเลยเราควรนำมาพิมิจพิจารณาเถอทุกข์ก็ช่างเถอะในโลกนี้ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบขึ้นชื่อว่าความทุกข์แล้วไม่ว่าจะเป็นเศรษฐีก็ดูมผือ มีเงินสักกี่หมื่นกี่แสนล้านก็ต่างไม่ว่าใครจะมีความรู้ความเฉลียวฉลาดยันจบปริญญาไหนมาก็าต่างไม่ว่าคนโง่คนฉลาดคน้ะมีฐานะและคนตนขึ้นชื่อว่าเข้ามาติดคุกในเรือนจำทั้งสามชั้นนี่แล้วคือการมาโลก อรูปรโรคอรูปรโรจะต้องอยู่ในความควบคุมของนายคุมคือที่เลสมีความโลภความโกรธความหลงราคาตัณหาเป็นตัวการสำคัญไม่พ้นไปได้สักลายเดียวแล้วเราจะสงสัยที่ไหนว่าโลกนี้จะมีความสุขความสบายความทุกข์นั้นได้รับด้วยกันทุกคนขึ้นชั่วเป็นนักโทษแห่งความเกิดแก่เจ็ดตาย พิเดกเป็นผู้รักผู้ร่นพิเดกเป็นผู้บงังคับบัญชาบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาภายในหัวใจแล้วรางไหนจะไม่มีทุกข์ในโลกนี้เราสงสัยทุกข์กับผู้ใดว่าไม่มีมีตั้งแต่ผู้แบกกองทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นแบกกองทุกข์ด้วยการยิ้มเต็มขวัญขวาวยู่การเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วยังแบบกองทุกข์ เรื่องเกี่ยวกับเรื่องความวุ่นวายความกระทบกระเทือนภายในจิตใจมากน้อยนี่ยิ่งเป็นของสําคัญในโลกนี้มีตั้งแต่กองไฟเผาหัวใจอยู่ตลอดอยู่ไม่ว่ารายไห น, ไหนเราสงสัยจุดใดดอนใดเกาะใดว่าจะเป็นที่มีความสุขความสํารานบานใจขึ้นชื่อว่ัสิเลสเป็นผู้บีบบังคับอยู่แล้วในหัวใจนั่นนั้น เมื่อได้พิจารณาให้ชัดเจนอย่างนี้แล้วความเพียนจะหนักมากน้อยเพียงไรพอสู้พอฟัดพอเหี่ยงกันทั้งนั้นแ่ละคนเราเมื่อเราไม่สงสัยถึงเรื่องโลกนี้ว่าจะให้ความสุข ก, กันอะไรบ้างโลกนี้เต็มไปด้วยกล่องถูกมีแต่เอาเครื่องหลอกหลอกหลอกลงรวมกันมาประดับหน้าร้านเท่านั้นภายในมีตั้งแต่ไฟ ไฟไม่แกรดควมดีคือไม่อย่างลึกลับอยู่ภายในหัวใจกล่องไม่ออกแสดงออกมาอย่างเปิดเผยทางพิริยาไมายายผิวพันธะนก็เหมือนก็ดีจนถึงแสดงถึงความร้มองห่มร้องไห้พลายลําพันแค่อกเสใจกล่องสมอยู่ภายในจิตใจแดงโลดอยู่ทั้งวันทั้งคืนมีมีจํานวนมากไม่เว้น ในชาติชั้นวันหะ้ได้ที่ไฟกองนี้จะไม่สงอยู่ภายในจิตใจได้เพราะวิเวกก็คือไฟเราสงสัยที่ตรงไห น, นการประกอบความเพียรที่ว่าเป็นทุกเป็นทุกด้วยความชอบธรรมเพื่อจะหลุดพ้นเพื่อจะถอดถอนตนออกจากไฟทั้งหลายที่กำลังไหม้รอบจิตใจอยู่เวลานี้เราจะเห็นว่าเป็นทุก ในความเพียร่างนี้แล้วก็หาทางไปไม่ได้ต้องตายจามกองโรกอวิชีในมนุษย์โรกอย่างนี้และกลับใดกันใดพบใดชาติใดหากําหนดกดเกณฑ์มาได้คือหาความแน่นอนในกาหนดที่เกิดในพบชาตินั้ น, น, นไม่ได้ถึงวันแล้วตั้งแต่กองทุกกาหนดได้จําได้ไม่ได้ก็ตายเรื่องกองทุกทั้งหมดการประกอบความเพียรเพื่อจะถอนเชื้อ อันให้เกิดไฟเ้าลุนภายในจิตใจและเชื้อที่จะชักจวงดุาลากเราเกิดในพบน้อยพบใหญ่นี้ภายในจิตใจมันได้จากที่เละปิีฉานี้เป็นสิ่งที่เราควรอย่างยิ่งที่ต้องใช้ความเปลี่ยนพยายาหนักก็หนักพอสมยอมรับทุกขนาดไหนก็สู้กันขึ้นชื่วานักรบแล้มไม่มีถอยหลังเพราะ พระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาของเราไม่ได้พาให้ถอยหลังสาวกทั้งหลายไม่ใช่ผู้ถอยหลังผู้ก้าวหน้าเดินเพื่อความยุดพ้นจากทุกข์จนบุดพ้นไปเสียจึงได้ปล่อยวางทางความภาคเพียงแลว้วสวยมิมุติสุทั้งที่ขันยังครองตัวอยู่และวิมุติสุในกรณีผ่านเพราะความทุกข์เพียงเล็กน้อยในอัตภาพเดียวหรือใน ช่วงเวลาไม่กี่ปีกี่เดือนการประกอบความเพียรตั้งแต่ท่านเริ่มต้นจนมาท่งถึงแต่รู้หรือบรรลุธรรมบางองค์ก็นานปีบางองค์ก็รวดเร็วบางองค์ก็รงงครู่เดียวนนตามอำนาจวัสนาบารมีที่สร้างมามากน้อยต่างกันมีเราก็เกิดในท่ามกลางแห่งวัฒนบารมีอยู่แล้ว ดีเราก็ทราบได้อย่างชัดเจนชั่วก็ทราบได้อย่างชัดเจนบุญบาปก็ทราบคือ่พระจักใจทำต้องสอนของพระพุทธเจา้าเราก็ได้ศึกษาเราเรียนครูบาอาจารย์ทั้งหลายทั้งกนแนะนำสั่งสอนวิธีการดําเนินทั้งเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่อ ง, องวิเลตปัญหาอาชาวะเรื่องอัดเรื่องถังให้เราฟังทุกแน่ทุกมุมก็ควรจะซึ้งพายในจิตใจด้วยความเชื่อความมุ่งหมยให้หนักลงไป เผื่อเป็นอุปกรณ์แก่ประโยชน์พยายามของเราจะได้หนักหน้าก้าวเข้าสู่สันติธรรมคือความสงบโดยลำดับจงกระทั่งถึงสันติธรรมมนาบขาดด้วยความตะเกียบตะกายของเราที่เดินตามขรกคือปพุถธตจากสิงทรงสอลถึงสามครั้งก่อนจะได้เป็นศาสดาขึ้นมานั่นละเอานั้นออกมาเป็นตัวอย่างมาเป็นแบบเป็นฉบกเปาอย่าหาคนที่เกียด ที่ค้านอ่อนเอมมาเป็นแบบเป็นสมบัตจะกลายเป็นคนหมดคุณค่าหมดราคาหาทางก้าวเดินไม่ได้เป็นโมฆะที่สุดอยู่ไปกจินไปหาความหมายไม่ได้ภายในใ จ, ใจิตใจทั้งๆั้ที่ธรรมะมีความหมายเต็มตัวอยู่ภายในใจสำหรับผู้ปฏิบัติอย่างเอาใิ น, นอกจังจะพึงประสบพบเห็นได้ตนเองพากันตั้งหน้าตั้ตาเพื่อคุปฏิบัติ <c oughs> การพิจารณาฐานภูใดถนัดในอาการใดในเบื้องตน้นการพิจารณาหรือการสมถกรรมฐานามีความสะดวกเหมาะกับกลิตของตนในธรรมบทใดซึ่งเคยได้อธิบายให้ฟังแล้วเพิ่มยึดเป็นหลักเป็นเจ็ พิจนาเกษากำหนดเจษาก็เกษาโลมานะคะาคาทันตาตัดโจถึงวระที่จะบริกรรมก็บริกรรมถ้าเป็นความถนัดในการบริกรรมก็บริกรรมแหรือถนัดในระยะต่อไปเป็นความดูดดื่มที่จะต้องพิจารณาตามเรื่องของเกษาโลมานะคะาคาทันตาตัโจจนกระทั่งถึงอาการสามีสองให้ตลอดตัวถึงที่มีอยู่ภายในร่างกายนี้ก็พิจารณา หายมีสติติดแนบไปทุกระยะทุกประโยคแห่งการที่เกินมายิเรศจะไม่เข้ามาแทรกแซงยิเรศจะไม่เข้ามาสุดละถ้าสติยังเป็นผู้กำกับอยู่กับความรู้คือใจนั่นแหลใจจะมีความปลอดภัยและใจจะได้ทำงานตามหน้าที่ปัญญาเป็นผู้สอบสองกรองดูคำอินที่มีอยู่ในร่างกายที่ทันวัตจะทำ เวลาทำจะให้มีความสงบก็ตั้งหนา้าตั้งตาทำให้มีสติอยู่นั่นเรื่องของโลกอันนี้มันไปจากเป็นไปจากจิตของเราดวงเดียวนี่ยเป็นตัวโลกเป็นตัวก่อเรื่องก่อราวทั้งหลายถ้าความรู้มารวมตัวเสียอย่างเดียวทัานั้นโลกนี้ก็เหมือนไม่มีเพราะไม่มีผู้ไปปรุงไปแต่งไปหลอกไปหลอนให้ความหมายอย่างนั้นอย่างนี้ดีชั่วสวยงามหรื ความแปรสูงต่ําประการใดออกจากจิตดวงเดียวนี้ทั้งนั้นเป็นผู้ไปวา่าธาตหล อ, อกตนอยู่ทั้งวันทั้งคืนเ ด, ดินเลินนั่งนอนนั้นปฏิมาธาตุาไปจดต่อเข้าไปในจิตจริงๆ จ, จะเห็นเรื่องราวของจิตที่แสดงตัวอยู่ตลอดเวลาเกี่ยวกับเรื่องดินฟ้าอากาศต้นไม้ภูเขาบุรุษหญิงชายเรื่งโลกเรื่งสารมากน้อยมีตั้งแต่เรื่องของจิตเป็นผู้ปรุงผู้แต่ง แล้วก็ตื่นเงาตัวเองเชิญประจำเงาเศร้าโศกประาำเงาแ ส, งสงดงอยูตลอดเวลาคือขันมันหลอกขันอันนี้มาจากจิตที่ไม่บริสุทธิ์เรื่ อ, อวิชาเป็นต้นเหตุวิชาปัญญาสั้งข้าวลามันหนุนกันออกมาเรื่อยๆใตุมให้แต่งใหเกิดความสำคัญมั่นหมายอยู่เฉยๆอยู่โดดเดียวมีแต่ความรุม้ล้วนๆมันอยู่ไม่ได้เพราะกํากลังของสติกาลังปัญญาไม่พอที่จะหักห้ามจิตไม่ให้ตุ้มให้แต่ง ไม่สามารถที่จะกำจัดความคิดในแง่ต่างๆให้ขึ้นไปจากใจเหลือไว้ตั้งแต่ความสงบราบคาเห็นความยิงภารจิต ด, ดวงเดียวคืออะไรจิต ด, ดวงเดียวก็คือความรู้กับความอัศจรรย์อย่างเดียวเท่านั้นไม่มีอันใดเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นสองเลยมีจิตแท้เป็นอย่างนั้นในขณะที่เราต้องการความสงบเราก็มัพ่พึงเกี่ยวข้องกับอะไรให้ดูจุดที่จิตจะกระกเพื่อม มันผลักดันออกมาให้คิดให้สุงมันบอกอชัดๆท่านมีสติเอาเป็นยังไงให้ถือนั้นเป็นอารมณ์ถือนั้นเป็นจุดเป็นหมายถือนั้นเป็นเป้าหมายกําหนดสติตรงที่จุดนั้นเถ้าจะว่าพุทโธให้อยู่กับตรงนั้นให้ทียึดเข้าไปดูใชมันเป็นยังไงแล้วมีนจะมีเรื่องมีลาหลอกจะของไหมถ้าลงสติได้กํากับกับติก ด, ด้วยดีแล้ว จิตจะตรุงออกเป็นเรื่องขึ้นมาหลอกจากของไม่ได้เรื่องต่างๆที่เคยผ่านไปแล้วกี่ปีกี่เดือนกี่เวล่องเวลานั้นมันมาสมอยู่ภายในหัวใจเราตลอดเวลานั้นมันมาจากไหนไอ้เรื่องนั้นเป็นแล้วผ่านไปแล้วกี่ปีกี่เดือนมันหายไปหมดเลยแต่จิตดวงนี้มันไม่หายอารมณ์อันนี้มันตรงขึ้นมาอยู่เรื่อย อุ่นขึ้นมาเรื่อยหลอกเจ้าของเงื่อนเพลินอยู่กับตุกตาของเล่นของเด็กภายในใ จ, จิตใจของตัวเองอยู่อย่างนั้นเราสังเกตดูให้ดีจะเห็นได้อย่างชัดเจนไม่นอกเหนือไปจากที่ก่ายนี้เลยเพราะนี่เป็ผู้ตามเรื่องความจริงที่เป็นอย่างนั้นจริงๆไหนจะพิจะมาอย่างนั้นหาจาตพิจาราเจสาโลมานะขาพันตาตะโจตลอดอาการสามสองก็ให้รู้ตั้งแต่อาการนี่เท่านั้นอย่าเอาอาการ ความรู้นีแยกไปตรุงไปแต่งให้มีภาพนั้นเรื่องนั้นหนึ่งนี่ก็มาแทรกจนกระทั่ง ก, กบเกลื่อนหรือทำลายวัตถุที่เราพิจารณาหรืออารมณ์ที่เราพิจารณานี้คะสูญหายไปเสียเหลือตั้งแต่ที่เด็ดเครื่องยุ่ยวนควรใจภาอนาวันไหนก็ไม่ได้เดือดร้อนมีตั้งแต่เรื่องที่ไม่ต้องการเพราะที่เล็กมันอั น, นามากมาก มันถุดมันลากมันผลักมันดันออกไปได้อย่างง่ายดายแต่เราไม่ถุดหัดเอาจริงเอาจังเอาความตั้งใจเข้าว่าอย่างมั่นเหมาะกันจริ ง, จ, ร ง, จ, รงจะไม่เห็นเรื่องของตัวเอง <c oughs> เแล้วก็จะตื่เงามั่นหมายไปต่างๆอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเพื่อความแน่ใจตองมีสติเป็นเครื่องกำกับรักษาให้ดีให้เห็นผลนในการปฏิบัติเทานาของตน ทานว่าสมาธิสมาธิเป็นยังไงคือความมั่นคงความแน่นหนาความตั้งมั่นของใจจิตสงบจิตก็มั่นเทนั้นเองทำไมสงบก็รวนเอง็งเอียงไปที่หนุ่นที้ครับความเป็นตัวของตัวไม่ได้แม้แต่ขณะเดียวจิตมีความสงบธรรมะสงบก็คือสงบความคิดความปรุงต่างๆซึ่งเคยยืดรวนกวนใจมาแต่ก่อนสงบตัวลงไป เราจะทํารู้อันสงบแน่วนั้นก็สบายไม่มีอะไรกลวัวนะจากนั้นเวลรต่อไปที่เราจะพิจารณาให้เป็นปัญญาก็คือพิจารณาดังที่กล่าวมานี้แยกแยกดูให้ดีจะเอาข้างนอกมาเป็นปฏิภาคมันเป็นดุขหาหนิ่นิดก็ได้ไม่ว่ารูปหญิงรูปชายมันติดได้ทั้งนั้นแหละข้างนอกข้างในติดได้เป็นสมุทัยได้ นำมาพิเมื่อนำมาพิจารณาให้เป็นมาให้เป็นทางเดินให้เป็นธรรมทำไมจะเป็นไปไม่ได้แยกแยะเอาไปถึงเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตก็ดีหรือจะพิจารณาเรื่องอริยพระอริยักงก็ดีดูมันนี่ตั้งแต่เรื่องอรุยพระอริยักงกองเป็นตัวตัด ต, ตัวบุคคลตัวเขาตัวเราไม่มีมบกพร่องแม้แต่ไหนอย่ทำไมยังจริงไม่เห็นของจึงมีอยู่นั่นคือความจริง จิตใจใมันปีนเกลียวกับธรรมอยู่เสมอมันึเหยี่อยตั้งแต่ควบมแตน้ําคือที่เหลร่ทรันหาย่อหัวใจเราทั้งวันทั้งคืนยืนนึงต้องนอนหาความสงบสงบไม่ได้เพราะจิตใจมันปีนเกลียวกับความจริงคือธรรมถ้าจารณาให้เห็นตามที่สั่สอนไว้ตั้งแเจอาลงมานะขาตันตาแต่โจมันก็บอกทัดๆแล้วทะลุหนังออกมา ดูนี okay. เป็นยังไงคนทั้งคนดูได้ไหมมันมีหญิงมีชายที่ไหนเมื่อถลกหนังออมาแล้วความสวยของงาน ม, มันปรากฏ อ, อยู่ที่ไหนมันก็มีแต่หนังบางๆหลอกอยู่ข้างนอกตอนนั้นเองก็ทราบแล้วว่าหนังดูว่ามันซึ้งอลยเมื่อถลอกออกมาแล้วอา้าวดูทั้งหนังด้วยข้างในข้างนอกของหนังเป็นอย่างไรแล้วดูเนื้อดูเอ็นดูกระดูก ดูเข้าไปทุกแง่ทุกมุมในอาการต่างๆจนกระทั่งกืนอาหารใหม่อาหารเก่าเต็มไปด้วยป่าช้าพืชผักของปะจุกูลโซโคกเน่าเหม็นเต็มตัวทั้งเขาทั้งเรามันมีที่ตรงไหนที่ว่าสวยางงาว่างามมันน่ารักใครชอบใจมันหาเรื่องหาเราเอาอย่างสดสดตอนร้อนเอาอย่างดื้อ ด, ด้านนี่เหลอจิตนี่ฟาดกันลงไปมันเห็นเหตุผลกันไหนนี่แหะคือความดื้อของจิตมันไม่มันฝืนความจริงไม่เป็นไปตามความจริงเพราะฉะนั้นมันถึงได้ เกิดความทุกข์ความลาบากแฝงติดใจอยู่เสมอไม่ว่าไปอยู่ที่ไหนมันมีตั้งแต่าย ฟ, ฟองนี้แหละเผาอยู่เรื่อยๆแต่พาะอย่างหญิงไฟราฆ่าสษาเพราะความปีนเตียวกับทำเขืออนสุภาษิตุผังมันเต็มอยู่ในร่างกายของทุกคนกองไก่พลากองอสุภาษิตุผังก อ, องปติกูลเต็มไปหมดตั้งแต่ท้องบนลงเบื้องล่างไม่มีชิ้นใดที่จะพอน่าดูหน้าชมบ้างเลยแม้เช่ น, นั้นมันก็ยัง เกิดสันได้ลงค อ, อเป็นของเก๋งของงามถึงกับต้องจิตใจเกิดความกําเริบไปต่างนี่หลอกตัวเองเป็นเกิดความกําเริบนี่เป็นเรื่องของตัวเองหลอกตัวเองเท่านั้นน่ะไม่ใช่อะไรหลอกนะรูปเขากระสักจะรูปมีอยู่ตามจริงของมันเราจะดูก็ต า, ามไม่ดูก็ต า, ามคิดเนี่ยได้ไม่เนี่ยได้ก็ตามเขาไม่มีความหมายสําหรั บ, บรูปอันนั้นผู้นี้ผู้ไปเห็นนี่แหละ มันมาเกิดตัญหาเกิดเรื่องเกิดลาขึ้นมาในตัวผู้รู้ผู้เห็นนี่แหละไปปรุงแต่งสาคัญมันหมายว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็หลงความสําคัญนั่นหมายขอยงตนเพิ่มเพิ่มต่างต่างแล้วผลที่มันปรากฏ ก, ก็คือความทุกข์ความแน่นในหัว อ, อกแทบจะเป็นแต่ตา่ายนี่โทษแห่งความคิดความปรุงแห่งของมันแสดงให้เห็นอางชัดเจนขนาดนั้นเรายัง ยอมเชื่อมันไปหรือยังไม่เห็นโทษเข้มงังบ้างหรือสาหรับผู้ปฏิบัติแท้ๆนะ่ะมันน่าคิดอยู่มากในตรงนี้เอาสิสุดคน้นลงไปเข้าใจความจริงนี้เรื่องมรรคผนิพพานไม่ต้องถามสิ่งเหล่านี้แหละที่มันปกคลุมหุ่มห่ออย่างมิดตัวไม่มองเห็น กระแสของความสว่างสวายของความสงบของใจพ่อที่จะแสดงความอัศจรรย์ขึ้นมาโดยลําดับบถึงกับต้องเป็นมะขุนความขึ้นมานั้นได้เลยก็เพราะสิ่งสกปรกโสมมสิ่งเลวร้ายทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยความบคุมห่อเสียอย่างไม่ตัวเพราะฉะนั้นจึงต้องแก้มันด้วยสติแก้งด้วยปัญญาเพิกถอนมันออกเลิกมันออกเปิดเผยมันออกให้เห็นความจริงเมื่อเห็นความจริงแล้วความสงบก็ต้องบอกมันยุ่งวุ่นวายเพราะอะไรเพราะมันหลง เมื่อเห็นตามความจริงแล้วมันก็ถอยตัวเข้ามาเท่านั้นเดี๋ยุ่งกับวาทายดูอะไรมันก็อย่างว่าเนีหยกอนยางปัญญาด้วยหวานลอ้อมจะหมดเห็นแล้วตามความจริงเดี๋มาหลงของปลอมยังจิตมันก็มูลตัวเข้ามาสงออเย็นอเพียงเท่านี้ก็มีความสุขสําหรับผู้ปฏิบัติเอาย้ำเข้าหลายครั้งหลายหนเหมือนเขาคาดนาคาก็เกิดมุนคาดมุนถอแล้แหลกละเอียดควรแก่การตัดดับนั่นแหละเป็นของสําคัญการพิจารณาคี เที่ยวกี่ครั้งกี่หนไม่สําคัญสําคัญอยู่ที่ความสํำ น, นึกทางานความข้องแวดเสบกาทราบซึ้งภารกิจใจด้วยการพิจนารณาว่าอย่างไรและเป็นอย่างนั้นจริงจริงซึ้งอย่างนั้นจริงจริงสาธุภะของปฏิคูลโสโครก็ซึ้งถึงใจถ้าพูดถึงอนิจจังทุกขังดอนัตตาเนี่ยใดก็ซึ้งถึงใจถึงความจริงเรียกว่าซึ้งแล้วมันจะไปหลงของต อ, นนอมั้ยไงการพิจารณา ยืนเดินนั่งนอนอย่ากให้เถลอพยายามระมัดระวังตัวเสมอการพูดการคุยกันก็ทําให้เผลอได้มาตามจิตตามกายมาเกี่ยวข้องกันก็ดีอย่ามาเลิกความเผลอเนือต่างๆอย่ามาเลิกความเพื่อสัตส์สัความไม่มีสติสต่างเป็นความไม่มีค่าภายในตัว ถ้าไม่มีความหมายในตุกในการมาของตัวในการพูดกันคิดการทำทั้งหลายไม่มีความหมายอะไรไม่มีสาระทำให้เป็นสาระเจ้าของด้วยความมีสติรับยังรักษาตัวอยู่เสมอเอาทุกข์ก็ทุกข์ยอมรับ่าทุกข์าตายก็ตายตายด้วยความเพียรเป็น ไ, ไปแม้เขาไม่เคยภาวนาเขาก็จะตายอยู่แล้วโลกนี้คือโลกป่าช้าโลก ความขืนตายของตมันจะพ้นไปไหนได้ล่ะมันตายด้วยกันทังนั้นแน่นอนที่สุดนอกจเรือหรือชาต่างกันไปเลรื่อยๆน้อยๆนะเนาะหลีเราทุกข์เพราะความภาคเพียรเอาให้เห็นจริงเห็นกันตามหลักธรรมหมอดุจนาเป็นความช่ำทองแล้วไม่ต้องบอกแล้วมันถอนอืมันป่อยมันวางเข้ามาเป็นลําดับลําดับดังเคยอธิบายและฟังแล้ว จิตก็ยังมีความผ่องใสงมีความคล่องแคล่วแกละา เ, เบาหมดภายในจิตเพราะเบาจากอุป า, าทานถนอกก็ไม่ยึดขันนั้ทางพิจารณาเข้าไปรู้แ่นงถงจริงเข้าไปเป็นลำดแบบับเกิมเงาสั่งถึงต่อยถึงวาง่ารูปที่ว่ารูปกายกายเป็นเราเป็นของเราเป็นของสวยของงามพิจารณาและมีแต่เนื้อแต่หนัง แ, แต่เอ็แต่กระดูก พิจารณาขปะลมีแต่ของอรูปะอรูปังเต็มไงหมดทั้งหลังเป็นเราได้อย่างไรผูดพิจารณาหลายครั้งหลาผลก็แจงแจ้งเข้าไปเพราะฉะนั้นกขพูดถึงเรื่องธาตก็ซึงปูถึงเรื่อ ง, งอรูปะอรูปังก็ซึ้งเห็นทัดเทีนตามความจริงและอุปทานซึ่งเป็นผลของตัวจอมปลองไปสําคัญนั่นหมายมันก็ถอนตัวออกมาอ่ันก็เบาเบาเรื่อยเรื ลงในขนาดนั้นแล้วความเพียนไม่ต้องพูกเลยที่ความขี้เกียจปัญหาหน้าไปหมดไม่ต้องไปบังคับบัญชากันลนะอืไม่ต้องไปถูด้วยใช้กันเหมือนอย่างแต่ก่อนที่เชื้อขั้นหนุนแหลกยิ่งยังไม่เคยเห็นผลมันก็เหมือนเด็ดทํางานนั้นนเี่ยผู้ใหญ่ต้องคอยกำกับดูแลหรือควบคุมอยู่เสมอพอผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เถิดตัวหรือผู้ใหญ่ปลีกตัวไปทุละอะไรนี่เด็กมันก็เลิกงานเพี่ไม่ทำํำก็หย อ, อกเล่นกันไปเพี้ย พอไม่เห็นผลของงานแต่เป็นผู้ใหญ่แล้วรู้ผลของงานแล้วมันก็ทําเองอยู่คนเดียวก็ทําได้อยู่กลุหมู่กับเพื่อนก็ทําได้ไม่ว่าทีแกงทีนักใครจะมาควบคุมไม่ควบคุ ม, ไ ม, คมไม่สําคัญเพราะเห็นผลของงานมีความมุ่งมั่นต่องานให้เป็นผลสำเร็จมีผู้ปฏิบัติธรรมะในขั้นเดิมแลกก็ต้องถูต้องถ่ายต้องบังคับบัญชากันเพราะยังไม่เห็นผลของธรรมที่เกิดขึ้นจากการภาวนาอัน จ, จะแสดงขึ้นที่ใจเป็นผู้รับผม เมื่อมันยังไม่เห็นก็ต้องถูถ่ายบังคับปัญชากันขั้นนี้เป็นขั้นที่ลําบากอยู่บ้างอารามาเขาทราบันแล้วจะวาังไขั้นต่อไปตาปวดผลแล้วความรูาพยายามมันหนักมาเองความภาคเกลียนกับมาเองพอถึงขั้นปัญญาแล้วที่มี่หมุนตัวเป็นเกลียวความขี้เกียจ้ายหน้าไปหมดเดินจงกรม ไม่เคยคำนึงกับเวลาเวลาว่าเช้าสายบ่ายเย็นมีตั้งแต่หมุนตัวติ่วติ่วอยู่กับที่เรศตัวไหนที่ยังไม่ชัดหน้าที่เรศตัวไหนยังไม่ชัดมันเกาะ อ, อยู่กับอะไรมันทําให้เสียการติดใจของเราหนี้ค้นลงไปค้นไปจึงกระทั่งทราบชัดแล้วถอนออกไปเป็นตัวเป็นตอนตอนเป็นพักพักเลื่อยหเลื่อยหเลื่อย เขาใจง่ายนั้นเข้าใจนี้นนอ้อเรื่อยอ้อเรื่อยกำหนดพิจารณาเขาไเรื่อยการกำหนดพิจารณาเขคือการสู้กันนั่นเองพูดง่ายๆมันทําไมจะไม่ทุกข์ล่ะแต่มันไม่สนใจกับเรื่องทุกข์ยิ่งกว่าการที่จะการถอดถอนกิเลสคือการห้ามันกับกิเลสมันแหลกละเอียดเห็นต่อหน้าต่อ ต, อ ต, อ ต, อตอาภายในใจของหลานนั้นมันมีน้ําหนักมากเพราะฉะนั้นความขี้เกียจจริงหายหน้าไปหมดเดินจงกรมไม่มีละลายเวลา สักคู่เดียวตาขาสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงเลยนั่งยี่ไหนก็เผลนแต่การพิจารณาไม่มีเวลาเวลาเหมือนการอียาบททั้งสี่เล่นตลาดเพื่อเท่านั้นพอตื่นขึ้นมาก็มือจับงานปุ๊บได้แต่จิตจับอารมณ์ที่ตนพิจารณายังไม่เสร็จในสิ้ น, นั้นคี่คลายออกดูไม่ดุดย้างตนกระทั่งเข้าใจแล้วปล่อยเองปล่อยเอง กา ร, รพิจารณามันเป็นขั้นเป็นตอนอย่างนั้นแต่ยายามาท่าดหมายนะไม่ถูกบอกวิธีการให้ทราบพิเศษการท่านหมายไม่ถูกจะเป็นขึ้นในตัวเองนั่นแหละความจริงต่อความจิงจะเข้ากันได้ทันทีครูบาอาจารย์ที่แสดงให้เอกฟังนี้ล้วนแล้วตั้งแต่ความจริงเวลา น, นี้เรายังไม่เห็นความจริงตามที่ทาัานสองเราพยายามดําเนินไปเพราะจิตของเรา ถึงความกินขั้นใดแล้วมันยอมรับกันรับกันเข้ากันได้ทันทีทันทีทนทไปโดยล น, นับตั้งจะททำขั้นต่ำจนกรตั้งถึงขั้นสูงและสูงสุดหาที่คานกัน ไ, ได้เลยหนัก <c oughs> คานปฏิบัติจิตก็มีความเปล่นไปครูบาอาจารย์คอยแนะนำสั่งสอนอีูเสมอโดย ถูกทางไม่เป็นที่สงสัยมันก็น่าจะค่าเยอะขึ้นไปเรื่อยๆและรวดเร็วกว่าโดยปกติตัวที่ทำโดยลำพังเราเห็นโทษ่งการบาเพ็ญเพียรโดยลำพังมาแล้วดังนั้นที่แกให้หน่มเพื่อนใจมาอย่างนอนใจการที่จะแนะนำตัดเพลินสั่งสอนสืน่กลรมการทางด้านจิติภาวนา น, นี้จิตต้องสอนจิตเท่านั้น เราจะปไปยกคัมภี์นั้นมาสอนยกัมภีนี้มาสอนสาทุกไม่ได้ประมาทมันก็เหมือนยกยามาทั้งสู้ทั้งหีบมาท่วมในคนไข้มาทราบเป็นไข้อะไรยาก็ไม่ทราบยาสระอะไรต่ออะไรทมกันลงไปมันก็ไม่มีเกิดประโอะไรดีไม่ดีทําให้คนไข้ตา ย, ยทียโายซ้ำไปนะความรู้สูงสี่สงห้าในการปฏิบัตินีิจะมาสอนผู่รู้จิงเห็นจินตามขั้นภูมิมงคลโดยลําดับหรอกนี่มันสอนกันไม่ได้สอนกันไม่ลง ผู้ที่ปฏิบัติผู้ที่เข้าใจอัตธรรมตั้งแต่สมาธิเป็นลําดับของขั้นสมาธิถึงปัญญาโดยลําดับนั่นเป็นความรู้ับเป็นการรู้คํามจริงผู้มาสอนสมาธิจเจ้าแบบเอาตำหรักตารามาสอนมันไม่ได้ผ่านเอาปัญญาตามตำหลักตำลามาสอนไม่ได้ความถ้าตนไม่เป็น ส, สมาธิจิตตนไม่เคยเป็นสมาธิขั้นนั้นนั่นมา่อนจิตตนไม่เคยเป็น ปัญญาขนนันนั้นมาก่อนเนี่ยจะสอนไม่เข้าเรื่องเข้าราวไม่เข้ากดเข้าเกณฑไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังด้วยความสนใจนั้นได้เลยนี่เป็นของสําคัญอยู่มากเมื่อต่างมีความคินับเันอยู่เสมอผู้สอนก็สอนด้วยความคินขึ้นเห็นแล้วรู้แล้วค่อยมาสอนมันจะผิดไปไหนอืนี่วก็รวดเร็วทันใจด้วยติดข้องที่ตรงไหนท่านแกะปั๊บปั๊บปั๊ บ, ป, บปั๊บไปเลยเขียนไปร่ำเนื่อง กรรมฐานจริงสำคัญที่ครูที่อาจารย์คอยแนะาานำให้ <c oughs> ัางกุธการก็สาวกต้องอาศัยพระพุทธเจ้าและลูกจิตลูกหาของสาวกแต่ละองค์ก็อาศัยครูอาจารย์ที่เข้าอกเข้าใจในทางด้านจิตธรรนาม า, ม า, มาแล้วอย่างสมบูรณ์ น, นั้นเป็นผู้คร่ำสอนไปโดยลำดับถ่ายทอดมาเรื่อยจนมาตั่งถึงปัจจุบันนี้ ต้องขอให้พากันตั้ง อ, อกตั้งใจพีนี้พิจารณาความมุสาพยา ย, ยามอย่าลดละนักรบต้องทำใจกล้าหาญอย่าทอดแท้อ่อนแออย่าหวังมอบป่าช้าให้กับพบใดชาติไปซึ่งเป็นเรื่องกองทุกทั้งมวลไม่เป็นที่ไว้ใจได้เลยไม่เหมือนมอบร่างกายมอบชีวิตจิตใจ ที่จะเป็นความทุกข์ความลำบากขนาดใดก็ตามเพราะความภาพอย่ยงนี้ไว้กับธรรมเท่านั้นอืเฉพาะอย่างยิ่งไว้กับความพ้นผูก อ, อ, อตายก็ตา่างไม่ท้อถอยแล้ว เ, เราจะเห็นแดนแห่งหนองอ้อที่อ้อนี่หรือที่ท่านว่าอัางนั้นอย่างนั้นที่ท่านว่าทำประเภทนั้นทำ ป, ประเทศประเภทฝ้าการมันมนี่หรืออ้อนี่เหรือดังที่ท่านอาจารย์มั่นท่านอุทธรณ นั้นเราก็เขียนไว้แล้วว่า อ, อ้ออนี่เลยน้อง อ, อ้อนั่นเนี่ยน้อง อ, อ, อ้อคือหมดปัญหาที่จะสงสัยโดยประการทั้งปวงแล้วหรือว่าจะมีแต่ความบริสุทธิล์ล้วนล้วนตั้งแต่ขณะนั้นก็คือหมดปัญหาโดยประการทั้งปวงตลอดกาลนณะ น, น, น้องอ้ อ, อจะอยู่ในหัวใจของผู้ปฏิบัติด้วยความอกทินออกจาก เราอยู่ที่ไหนเวลานี้โทกก็เห็นกันอยู่ชัดๆทั้งร่างกายและจิตใจสมุทัยก็รู้กันอย่างชัดๆทั้งดีใจเสียใจทั้งรักทั้งชังทั้งเสียทั้งโกรธเป็นเรื่องของสมุทัยทั้งหมดคิดในนี้ใดๆส่วนมากเป็นเรื่องสมุทัยทั้งนั้นถ้าสติไม่มีเป็นเครื่องบังคับบัญชาไว้ต้องผิดตัวออกมาเป็นสมุทัยทั้งหมดมรรคก็คือสติปัญญาศรัทธาความเพียรประกอบกันเข้าหนูนเป็น กำลังโดยลำดับลำดับเพื่อกำจัดกิเลสเพื่อกำจัดความพุ่งสร้างที่มีอยู่ภายในจิตใจนานมากนิโรธคือความดับเมื่อมากมีกาลังมากน้อยก็ดับความพุ่งสร้างํำคาญเข้าไปโดยลำดับลาดับนิโรธจากนั้นกระดับกิเลสเป็นชิ้นเป็นอันไปจนกระทั่งดับกิเลสโดยสิ้นเชิงเรียกว่านิโรธเต็มผงกิเลสสิ้นไปแล้วพัฒนาท่านว่า สัจจ ก, การบันติเมียพิคเวสสิ่งที่นิโรธซึ่งเป็นสิ่งที่พจะพึงทําให้แจ้งสัจจการตันติเมีพิเคเวสเราได้ทําให้แจ้งแล้วคือสิ่งที่จะควรทําให้แจ้งก็ได้ทาให้แจ้งแล้วคือนิโรธชัดประจักษ์ขึ้นกับใจนี้ืวหลังจากนั้นแล้วไม่มีสัจธรรมอันใดใง จะแสดงตัวออกมาอีกต่อไปยุติทุกทางใจก็หมดปัญหาโดยสิ่นเชิงไม่มีเหลือเรียกว่าทุกทางใจดับโดยสิ่นเชิงเพราะสมุทยัยดับไปด้วยอำนาจของมันมิโรธรแสดงขึ้นเต็มที่ในขณะที่มรรคทหารที่กิจิเบตขาดไปโดยสิ่งเชิงหลังจากนั้นแล้วไม่มีงานอะไรต่อไป หลือตั้งแต่ทุกภายในร่างกายซึ่งเป็นทุกประจําขันเท่านั้นทุกภายในใจไม่มีเทอสมุทัยเป็นผู้ผิดทุกประเภทนี่ไม่มีคํามาั่งมากงที่เคยใช้ใช้เฉพาะข้ากิเลษเมื่อกิเลสได้สิ้นสุดลงไปแล้วควําม่ามั้งท่านก็หมดหน้าที่ไปท่านไม่เรียกว่ามาั่งมัียแล้วบรรดาพระสารททั้งหลายท่านไม่เรียก ท่นไม่สาคัญไม่ปักปันไม่หมายอะไรทั้งทั้งหมดนอกจากความบริสุทธิ์ความที่รู้ว่าทุกสมุทัยนี้ทุกดับไปเพราะสมุทัยดับไปมิโยดถึงอบรมให้มากก็ได้อบรมให้มากตเต็มตเต็มที่แล้วก็มามรอบรมให้มากก็ไดอบรมเต็มที่แล้วมิโรดที่ทำให้แจ้งก็ทําให้แจ้งกระจัดแล้ว ผู้ที่รู้ว่าทุกลงท้ายในโรดมากได้ทำงานโดยสมบูรณ์แล้วหมดหน้าที่ของตนแต่ละนั้นคืออะไรนั่นแหละผู้นั้นหละคือผู้บริสุทธิ์ผู้นั้นไม่ใช่สัจธรรมนอกจากสัจธรรมออกไปคือผู้นี้สัจธรรมเป็นธรรมคู่กิเลสกับมากเป็นศัตรูต่อกันเป็นคู่ศัตรูหรือเป็นคู่แข่ง ทุกข์กับนิโรธก็เหมือนกันก็เป็นคู่กันทุกข์ดบับเขาเรียกว่านิโรธท่นั้นหลังจากนั้นแล้วก็หมดกันมันจะมีตั้งแต่ที่แยาอาการการประกอบความภาคเทียนในที่รธรรมิหารธรรมคือความเป็นอยู่ในระหว่างขันธ์กับจิตทรงตัวกันตายด้วยสมาธิสมาบาาัติกัน ทำเพลินจิตใจเพื่อพักผ่อนดลใจระหว่างขันธะปิดให้พอเหมาะพอสมพอถึงการอันควรแห่งขันที่จะสลายตัวลงไปซึ่งเป็นของแน่อยู่แล้วว่าต้องแต่เพราะฉะนั้นบรรดาพระสารทั้งหลายนับแต่พระเจ้าลงมาจึงประกอบความภาพเพียรดังที่ตากฏในสนับตำาอยู่เลื่อยไปจนกรทั่งถึงอดุขันแต่ไม่ได้ประกอบความภาพเพียรเพื่อละที่เลยถอดถอนที่เหลือตัวใด เ, เพียงประกอบเพื่อวิหารธรรมระหว่างคันธ์จิตให้อยู่คลองกันสะดวกสบายราบรื่นโดยสม่ำเสมอจนมาตั้งถึงอายุขัยเท่านั้นมีเท่านั้นนี่งานของพรสัตว์ปัางานถอดถอนยุติเรศเป็นงานที่เสร็จขึ้นลงได้เงานทางโลกหาความสิ้สุดไม่ได้ตายก็ราตายกับงานตายกับความยุ่งเหยิงวุ่นวายหงอยไม่มีใครทํางานสําเร็จแล้วค่อยตายไปโลกทั้งโลกทั้งสามนี้ไม่มีใคร จะทำงานสำเร็จแล้วค่อยตายไปเหมือนงานคือการตอบถอนที่เด็ดให้สิ้นสุดตรงแล้วนิพพานไปผู้นี้เป็นผู้หายห่วงอนาละอยู่ไม่มีงานใดให้เป็นที่ห่วงอีกแล้วอเอาละกันตอวนี้ให้ท่านปัญญาอธิบาย